ตอนคำอธิบายเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระุท ธ, ธาจารย์โตคำปรารพแม้จะเป็นพระราชาแต่ผู้เดียวในผืนปฐพีหรือจะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือแม้จะได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับผลแห่งการบรรลุถึงโสดา พูดประโยคนี้เป็นพุทธพจน์แต่ความจริงอันนี้น้อยคนมากที่จะรู้สึกซึง้งเพราะคนทั่วไปอยากที่จะมีอานาจอยากที่จะมีเงินอยากที่จะทำอะไรได้ตามความพอใจโดยหารู้สึกตัวไม่ว่าตัวตนที่เราทนุถนอมรักใคร่และความปรารถนาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของของเรานั้นทั้งหมดที่ว่านี้หาใช่เป็นตัวเราหรือของของเราอย่างแท้จริงไม่ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนซึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าอัตตานุทิฏฐินั้นเป็นภัยต่อชีวิตอย่างใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบคนที่มีสักกายทิฏฐิว่าเหมือนกับคนที่อยู่ในท้องทะเลหลวงมองไม่เห็นฝั่งเกิดและตายอยู่แต่ในทะเลซ้ำแล้วซ้าอีกไม่เคยขึ้นฝั่งได้เลยเรียกว่าทะเลแห่งสังสารวัฏหรือโอคะสงสาร อีกในหนึ่งพระองค์ทรงเปรียบว่าเหมือนกับคนตาบอดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตราบใดที่ยังละสั ก, กยะทิฐิไม่ได้ก็แปลว่าจะต้องตาบอดอย่างนี้ตลอดไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายทุกๆุกชาติจงพิจารณาดูแม้จะเป็นราชามหาเศรษฐีแม้จะเป็นจักรพรรดิหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนก็ตาม ในเมื่อตาในยังบอดอยู่เพราะเหตุที่ยังละสักยะทิฐิไม่ได้ก็แปลว่าเราจะต้องตาบอดตลอดไปและถึงแม้จะทำอย่างไรก็ไม่มีทางจะรู้จักตัวเองและไม่มีทางที่จะเอาชนะความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรแต่เรื่องนี้ถึงอย่างไรเสียก็ยากที่จะรู้สึกกันได้เพราะเราเคยชินกับการเป็นคนตาบอดมานับชาติไม่ถ่วน และใครๆก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะรู้สึกหรืออีกอย่างจงนึกถึงไก่เป็ดหรือหมูที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะฆ่าสัตว์เหล่านี้ไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวมันนึกอยู่เสมอว่าผู้ที่เลี้ยงมันเป็นมิตรต่อมัน กว่ามันจะรู้สึกว่าคนเลี้ยงไม่ใช่มิรก็ในขณะที่เขากำลังจะฆ่าแต่แล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องตายไปและเมื่อเกิดมาอีกเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูมันก็ลืมถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วอย่างสนิทพระพุทธเจ้าเคยทรงเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีอวิชชาครอบงำไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนั้น เหมือนกับไก่ซึ่งเกิดในไข่และก็ตายในไข่เปลือกไข่ที่ห่อหุ้มอยู่เปรียบเหมือนอวิชชาและพระองค์ทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่กระเทาะเปลือกไข่ออกมาได้การเป็นพระโสดาบันในความหมายอันหนึ่ง<ๆ>ก็คือการละสักยะทิฏฐิได้<ๆ> ผลแห่งการละสักยะทิฏฐิได้มีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากมากนอกจากผู้ที่เคยเข้าสมาธิได้พบกับความสงบภายในและมีความรู้แจ้งจากภายในซึ่งเป็นผลของการเจริญวิปัสสนาบุคคลประเภทนี้เท่านั้นที่พอจะอย่างรู้ได้บ้างหรือไม่เช่นนั้นคนที่มีชีวิตอยู่กับการใช้เหตุผลไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไป ชีวิตประจำวันมีความสงบมีความสุขอันเกิดจากความดีบุคคลประเภทนี้ถ้าได้รับการศึกษาหรือได้ยินได้ฟังก็อาจพอที่จะเข้าใจได้บุคคลนอกจากนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้เลยทั้งที่เราตกอยู่ในท้องทะเลหลวงทั้งที่เราตาบอดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้สึก ทั้งนี้เพราะเหตุที่ยังละสักยะทิฐิไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งการเบียดเบียนการสงครามการทุจริตทุกอย่างตลอดถึงความเดือดร้อนทั้งหลายไม่ว่าเราจะมองเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะความเจ็บป่วยหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็ตามทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะสาเหตุที่สำคัญเพียงตัวเดียวคือยั ง, ลงหลงไหลเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเอง ขอให้นึกถึงพุทธพจน์บทนี้อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสแก่พระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชเธอจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายข้ามพ้นจากความตายได้ผู้ที่มองดูโลกเช่นนี้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็น ผู้ที่ละสักยะทิฐิได้แม้แต่ความตายยังเอาชนะได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความทุกข์อย่างอื่นที่จะเอาชนะไม่ได้เขาได้โปรโดเข้าใจไว้ด้วยว่าโลกนี้จะสันติและมีความอุดมสมบูรณ์โดยไม่ยากถ้าหากว่าผู้ที่ปกครองประเทศตลอดถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆที่สำคัญที่สำคัญเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอย่างถูกต้อง และไม่ต้องถึงขั้นที่จะละสักยทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ในขั้นบางเบาเท่านั้นก็จะมีผลอย่างงดงามมองเห็นได้ชัดแล้วและการละสักยะทิฏฐินั้นจะทำได้ง่ายก็ต่อเมื่อจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเกิดจากใจสาคัญที่ใจตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของเรา และการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จะง่ายขึ้นมากถ้าหากเรายอมรับว่าโอปปาติกะมีจริงเพียงแต่เชื่อและเข้าใจว่ามีจริงเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารหรือความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพวกโอปปาติกะขอให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ ด้วยวิธีนี้ก็จะทาให้เขามองเห็นได้ว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของเราจริงพ่อแม่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นเพียงส่วนประกอบความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่จะทำให้สักกายทิฐิเบาบางลงแต่อย่างไรก็ดีการละสักกายทิฐิไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว แต่หาขึ้นอยู่กับพื้นของการเสียสละอีกด้วยและต้องเป็นการเสียสละที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและทำมานานจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยสันดานถ้าพื้นอันนี้มีไม่พอการเบาบางหรือการละสักยะทิฏฐิย่อมจะเป็นไปไม่ได้คนส่วนมากถ้าจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะ ก็มักจะเชื่อไปในทางอภินิหารคือแปลว่าถ้าอภินิหารไม่มีก็ไม่เชื่อถ้าอภาินิหารไม่มีเขาก็คิดว่าการเชื่อว่าโอปปาติกะมีจะมีประโยชน์อะไรเพราะไม่อาจจะช่วยอะไรได้อันนี้คือมุมมืดคนทั้งหลายที่ถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารและบางคนที่ไม่ยอมเชื่อ ก็เพราะเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องอภินิหารตามที่คนอื่นเขาเล่ามาให้ฟังแล้วเชื่อไม่ลงข้าพเจ้าคิดว่าเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จทั้งหมดเท่าที่ได้นำลงมาในหนังสือวิญญาณนี้ถ้าผู้ใดอ่านและฟังอย่างละเอียดก็จะได้รับประโยชน์มากมายแต่บางคนอาจจะเห็นว่าไม่มีอภินิหารอะไรเลย คล้ายกับเป็นการเทศ ธ, ธรรมดาอย่างที่พระทั้งหลายเทศทั่วๆไปแต่ถ้าท่านเชื่อว่าผู้ที่เป็นคนส่งพูดออกมาเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วละเมอตัวของตัวเองไม่ทราบว่าได้พูดได้ทำอะไรบ้างในขณะนั้นถ้าท่านเชื่ออย่างนี้ท่านก็จะได้เห็นอภินิหารที่มหาสัจจารยิ่งกว่าอภินิหารใดๆนั่นก็คือคนที่ใครใก็นึกว่าตายไปแล้วความจริงไม่ได้ตายและสามารถ ที่จะพูดกับคนที่ยังอยู่ในโลกนี้ได้สามารถแนะนำสั่งสอนเราได้และอันนี้ก็คืออภินิหารอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นข้อพิสูตรยืนยันได้ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตมีตัวตนเป็นชีวิตที่เกิดจากวิญญาณเกิดจากวิบาก คนทุกคนกลัวตายแต่เมื่อได้ศึกษาเรื่องชีวิตของโอปปาติกะแล้วก็จะทำให้เรารู้แน่ว่าไม่ได้ตายและไม่มีใครสามารถทำให้เราตายได้ไม่ว่าโดยวิธีใดๆทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจเมื่อใจเราเป็นสุขอยู่เสมอเพราะในใจอุดมไปด้วยคุณธรรมความดีต่างๆก็หมายถึงว่าเราจะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดเป็นคน หรือว่าเกิดเป็นโอปปปาติกะเราก็อยู่ในฐานะที่สบายตลอดไปคนที่ได้ทำบุญไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขและทุกครั้งที่นึกว่าเราได้ทำความดีไว้ก็มีความสุขและเมื่อละจากโลกนี้ไปสู่สุขติในโลกหน้าแล้วยิ่งจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ผู้ที่มีความเชื่อและมีความเข้าใจในพุทธพจน์ข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งเขาจะมีความสุขสักเพียงไรและคนที่มีความเชื่ออย่างสนิทในหลักพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานี้และในเวลาเดียวกันก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานต่างๆด้วยรู้จักรับผิดชอบในงานของตนด้วยคนประเภทนี้ไม่ใช่หรอ ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์อย่างแท้จริงเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จตลอดถึงคำพูดของโอปปปาติกาองค์อื่นๆเท่าที่นำลงในหนังสือวิญญาณ น, นี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วและเป็นปาฏิหาริย์ที่มีประโยชน์และสาระอย่างแท้จริง แต่ก็อาจจะสร้างความผิดหวังให้แก่คนที่ยังหลงงมงายในเรื่องปฏิหารอย่างอื่นขอให้สังเกตว่าคำพูดของท่านทุกคำมีความหมายลึกซึง้งและบางคำก็ทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความสงสัยฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องอธิบายสำหรับข้อความบางตอนดังต่อไปนี้